พระไตรปิฎกฉบับประราปราชาชนเล่มที่เก้ามหาศีหนาทะสูตรสูตรว่าด้วยการบรรลือีหนาฏพระผู้มีพระภาคประทับณป่าที่ให้อภัยแก่เนื้อชื่อกันณั ก, กัทะละใกล้เมืองอุชุญยานักบวชชีเปลือยชื่อกัสปะได้เข้าไปเฝ้าปราบทูลถามว่าได้ยินเขาพูดกันว่าพระสมณะโคดมทรงติการบำเพ็ญตบะทุกชนิด ทรงกล่าวโทษผู้บำเพ็ญ ต, ต, ต, ต, ตบะมีชีวิตอยู่อย่างปนปอนใช่หรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบปฏิเสธและทรงชี้แจงตามที่ทรงเห็นด้วยทิพยะจักสุว่าผู้บำเพ็ญตบะมีชีวิตอยู่อย่างปนปอนบ้างอยู่อย่างมีทุกน้อยบ้างบางพวกตายไปแล้วเกิดในนรกก็มีบางพวกตายไปแล้ ว, เ, นนกก ว, ลวเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็มี เมื่อทรงรู้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้จะตรัสติการบําเพ็ญตะบะทุกชนิดและกล่าวโทษผู้บําเพ็ญตะบะที่มีชีวิตอยู่อย่างปนๆทําไมกันแล้วตรัสว่าสมณพราหม์บางคนที่เป็นบัณฑิตละเอียดอ่อนแตกฉานด้วยปัญญาย่อมกล่าวตรง ก, กันกับพระองค์ในบางฐานะไม่ตรงกันในบางฐานะหนึ่งบางข้อที่สมณพราหม์เหล่านั้นกล่าวว่าดี เรากล่าวว่าดีบางข้อที่สมณพราหมณ์เหล่านั้นกล่าวว่าไม่ดีเรากล่าวว่าไม่ดีก็มี 2. บางข้อที่สมณพราหมณ์เหล่านั้นกล่าวว่าดีเรากล่าวว่าไม่ดีบางข้อที่สมณพราหมณ์เหล่านั้นกล่าวว่าไม่ดีเรากล่าวว่าดีก็มี 3. บางข้อที่เรากล่าวว่าดีพวกอื่นกล่าวว่าดี บางข้อที่เรากล่าวว่าไม่ดีพวกอื่นกล่าวว่าไม่ดีก็มีสบางข้อเรากล่าวว่าดีพวกอื่นกล่าวว่าไม่ดีบางข้อเรากล่าวว่าไม่ดีพวกอื่นกล่าวว่าดีก็มีเราเคยเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วกล่าวว่าในฐานะที่กล่าวไม่ตรงกันจงยกไว้แต่ในข้อใดที่กล่าวตรงกัน ขอให้วินยูชนสอบสวนเปรียบเทียบระหว่างศาสดากับศาสดาสงกับสงดูเถิดว่าทำรรเหล่าใดที่เป็นอกุศลมีโทษไม่ควรสองเสบไม่ควรแก่อริยบุคคลเป็นธรรมฝ่ายดำใครเล่าละทำเหล่านี้ไม่ให้มีเหลือมากกว่ากันพระสมณโคดมหรือคณาจารย์เหล่าอื่น มีฐานะอยู่ที่วินยูชนสอบสวนแล้วก็สรรเสริญเราคือพระผู้มีพระภาคในข้อนั้นโดยมากแม้ในธรรมที่เป็นกุศลที่ว่าใครจะประพฤติปฏิบัติมากกว่ากันก็เป็นเช่นนั้นแม้ระหว่างสาวกกับสาวกในส่วนที่เกี่ยวกับละอกุศลประพฤติกุศลก็เป็นเช่นกันคือวินยูชนย่อมสรรเสริญสาวกของเราโดยมาก แล้วทรงแสดงมักมีองค์8ปดว่าเป็นข้อประพฤติปฏิบัติที่จะทำให้รู้เองเห็นเองสำหรับข้อนี้เป็นพระดํารัสที่แน่ใจในความประพฤติปฏิบัติที่ว่าถ้าสอบสวนกันจริงๆว่าจะปฏิบัติตามที่พูดหรือไม่พระองค์ทรงท้าให้สอบสวนทีเดียว ชีพเลยืยชื่อกัสปะกราบทูลถึงข้อวัดปฏิบัติต่างๆของสมณะพราหมณ์เหล่านั้นที่จัดเป็นความเป็นสมณะความเป็นผู้ประเสริฐเช่นการเปลือยกายยืนถ่ายอุจจระปัสวะและกินอาหารเลี่ยมือที่เลอะเทอะแทนการล้างเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้ประพฤติเช่นนั้นถ้าไม่เจริญไม่ทาให้แจ้งซึ่งความสมบูรณ์ด้วยศีล ความสมบูรณ์ด้วยสมาธิและความสมบูรณ์ด้วยปัญญาก็ชื่อว่าไกลจากความเป็นสมณะไกลจากความเป็นผู้ประเสริฐต่อเมื่อจเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความพยาบาทและทำให้แจ้งเจโตวิมุตตคือความหลุดพ้นเพราะสมาธิอันปราศจากอาสวะได้ในปัจจุบันนับเป็นสมณะเป็นพรามได้ชีเลือยชื่อกัสปะกล่าวต่อไปว่า การประพฤติตบะแบบเปลื่อยกายเป็นต้นนั้นเป็นความเป็นสมณะความเป็นผู้ประเสริฐที่ทําได้ยากพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเป็นปกติหรือธรรมดาในโลกที่ทําได้ยากแต่การทําแบบนั้นคเรืหะวดีบุตรแห่งคเรืหะวดีหรือแม่นางกุมภทาสีคือนางทาตที่แบกหม้อน้ําก็ทําได้ส่วนการเจริญเมตตาจิต อันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทและทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันปราศจากอาสวะได้ในปัจจุบันเป็นความเป็นสมณะและความเป็นผู้ประเสริฐที่ทาได้ยากกว่าชีเปลือยชื่อกัสปากกล่าวต่อไปว่าสมณะและพรามเป็นผู้ที่รู้ได้ยากพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเป็นปกติหรือธรรมดาในโลกที่สมณะและพราม เป็นผู้รู้ได้ยากแต่การเจริญเมตตาจิตแบบที่กล่าวและทำให้แจ ita, ra, God, <th ra. S 1> ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันปราศจากอาสวะรู้ได้ยากยิ่งกว่าการบำเพ็ญตะบะแบบเปลือยกายเป็นต้นเมื่อฉีบเลือยชื่อกัสปะกราบทูลถามถึงความสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาว่าเป็นอย่างไรก็ตรัสอธิบายถึงศีลสามชั้นชาญสี่ และวิชาแปดอย่างที่ตรัสในสามัญยปนลสูตรว่าเป็นความถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาโดยลำดับครั้นแล้วตรัสสรุปให้เห็นว่าพระองค์กล้าบรรลือสีหนาฏในท่ามกลางบริษัทกล้าตอบปัญหาและทำให้ผู้เลื่อมใสปฏิบัติตามได้เพราะทรงประพฤติปฏิบัติได้ผลมาเองในเรื่องศีลสมาธิปัญญา ข้างบนนั้นชีเปลือยชื่นชมธรรมภาสิตของพระผู้มีพระภาคและขอบวชเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าจะต้องอบรมก่อนสี่เดือนในฐานะที่เคยเป็นเดียรถีมาก่อนก็กลับตอบว่าแม้จะอบรมถึงสี่ปีก็จะยอมในที่สุดเมื่อบวชแล้วไม่นานก็ได้บรรลุอรหัตผล สำหรับพระสูตรนี้เห็นได้ว่าสาระสำคัญอยู่ที่ประพฤติปฏิบัติได้จริงอย่างพูดจึงทำให้พระผู้มีพระภาคทรงกล้าบรรลือศีหานาถโดยท้าให้สอบสวนเปรียบเทียบด้วยซ้าหมายเหตุบรรลือศีหานาถคือเปล่งด้วยเสียงอันดังดุดพระราชสีด้วยวาจาอันองอาจสำนวนนี้ถ้าหลายง่ายๆก็เรียกว่า เป็นการกล้าประกาศคุณความดีที่มีอยู่จริงในตนซึ่งจะต่างกับการพูดคุยโมโออวดนะครับ